สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้ครับพี่น้องเราอยู่ใน20กฎทองคำของศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงซึ่งแปลโดยท่านศาสนาจารย์สุพิธวิจักโยทินนะครับต้องขอขอบพระคุณสำหรับพรวจนะของพระเจ้าที่ผ่านมาทางผู้รับใช้ของพระองค์ที่สัตซื่อในทุกๆวันครับพี่น้องครับเรามาดูครับในกฎข้อที่8 เราเรียกว่ากฎของผู้รับใช้ในประเด็นที่สองครับเวลาที่เราจะเป็นผู้รับใช้นั้นนอกจากว่าเราจะต้องเป็นผู้รับใช้เป็นผู้นำที่สัตซ์ซื่อเป็นผู้นำที่จะต้องเป็นทาสสมัครนะครับผู้นำประเด็นที่2ก็คือว่าเขาจะต้องให้พระเจ้านำเขาก่อนแล้วเขาถึงไปนำคนอื่นครับพอเจรจของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่11ข้อที่หนึ่ง โปรดฟังประวจตณะของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์โปรดฟังอีกครั้งท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์พ <prospects S 2> ี่น้องครับอาจารย์เปาโลท่านได้กล่าวไว้ในพระกัมพีข้อนี้เป็นความภาคภูมิใจมากครับว่าเมื่อเราปฏิบัติตามอย่างอาจารย์เปาโล เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์แต่ว่าท่านไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นท่านกล่าวต่อไปว่าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์อาจารย์เปาโลท่านเข้าใจว่าความเป็นผู้นําอย่างทะลุอโบองเลยครับว่าจะต้องถูกสอนถูกสร้างถูกนํามาก่อนเขาถึงจะนําคนอื่นได้พี่น้องครับโปรอย่าลืมหลักการข้อนี้นะครับว่าใครที่เป็นผู้นํานั้นเขาจะต้องถูกสอนถูกสร้าง ถูกนำมาก่อนเขาจึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้อาจารย์โบโลหมายความว่าถ้าไม่เรียนแบบอย่างจากพระคริสต์ถ้าไม่ติดตามพระเยซูถ้าไม่รับการสอนไม่รับการสร้างจากพระเยซูก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเรียกร้องให้คนอื่นมาติดตามเขาหากเขาไม่ได้ถูกองค์พระคริสต์นำสร้างเขาก็ไม่มีวุฒิความรู้ที่จะไปนำคนอื่น พี่น้องครับวุดความรู้คำว่าความรู้นั้นแตะใจมากเพราะว่าความรู้เกิ อ, อะไรพี่น้องครับหลายท่านทีเดียวพยายามอธิบายว่าความรู้นั้นอยู่ในสมองแต่แท้จริงแล้วความรู้ที่แท้จริงหรือความรู้สมบูรณ์แบบนั้นเป็นความรู้ที่รวมถึงเฮดฮาร์ดและแฮนด์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อเรารู้ที่สมองหัวใจของเราต้องรู้ด้วย นั่นหมายความว่าจิตแจ้งเราต้องมีทัศนคติที่ดีต้องมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรารู้และมีสุนทรียภาพที่จะทำให้ความรู้นั้นได้เกิดผลได้เป็นแรงจูงใจได้เป็นสิ่งที่เร่งร้อนเร่าร้อนที่อยู่ในใจเป็นความกระตือร้อนเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้านั่นแหละครับคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้ นั่นคือสติปัญญาครับสติปัญญานั้นมาจากความยอมเกรงพระเจ้ามาจากความเกรงกลัวพระเจ้ามาจากการที่เราปรารถนาที่จะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าต่อสิ่งที่เรารู้นั่นคือความรักครับต่อไปก็คือการรับใช้การรับใช้นั่นก็คือการแสดงออกถึงชีวิตที่มีความรู้ที่สมบูรณ์แบบหากเราไม่มีความรู้นะครับเราก็ไม่มีสุนทรียภาพความรัก และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวใจจิตใจความคิดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหรือปฏิบัติออกมาได้นั่นแหละครับคือกระบวนการความรู้ที่สมบูรณ์แบบเป็นความบวนการความรู้ที่ครบนะครับเต็มระบบจริงๆพี่น้องครับเมื่อเราคิดถึงตรงนี้เรารู้ว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญครับเพราะว่าความรู้นั้นกระทบกับชีวิตกระทบกับทักษะต่างๆของเราในทุกด้าน ท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอรฟิลิปเทงนั้นท่านเล่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อท่านอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียหนึ่งปีได้เรียนภาษาอินโดนีเซียครับและคําที่น่าสนใจมีสองคำที่ใกล้ชิดกันมากครับก็คําว่าเรียนนะครับคำว่าเรียนภาษาจีนคือคำว่าเสียอีกคำหนึ่งครับคือคําว่าสอนเจี่ยวนั่นคือภาษาจีนนะครับแต่ว่าในภาษาอินโดนีเซียนั้นคําว่าเสียกับคําว่าเจี่ยวนั้นมี รักษ์มาใกล้ชิดกันครับในคำว่าการสอนนั้นมีคำว่าการเรียนประกอบไปด้วยหากไม่มีการรับการฝึกการเรียนก็ไม่มีความสามารถที่จะสอนคนอื่นได้นั่นแหละครับคือความใกล้ชิดของคำว่าเรียนกับคำว่าสอนเราจะต้องรับการสอนเสียก่อนนะครับเราเกิดการเรียนรู้เราถึงจะไปสอนคนอื่นได้ พี่น้องครับในภาษาฮีบรูก็เช่นเดียวกันครับภาษาฮีบรูนั้นชัดเจนมากครับว่าคำว่าเรียนถูกทำให้แข็งแรงขึ้นก็กลายเป็นคำว่าสอนเมื่อเรียนดีแล้วคนนั้นก็สามารถสอนคนอื่นได้ครับก่อนที่จะเรียนรู้อย่างคล่องแคล่วอย่ารีอ่านไปสอนคนอื่นพูดสั้นๆก็คือว่าเรียนรู้ได้เท่าไหร่ก็สอนได้เท่านั้นพี่น้องครับ อย่าพยายามที่จะสอนในสิ่งที่เราไม่รู้และความรู้ตรงนี้นะครับเป็นความรู้ที่เราจะต้องถ่อมใจครับผู้สอนนั้นจะต้องถ่อมใจรับการสอนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องยอมให้องค์ผู้เป็นเจ้ามาสอนเราก่อนเราเรียนแบบจากพระองค์นะครับเราถึงจะสามารถสอนคนอื่นได้คำว่าความรู้นะครับภาษาจีนนั้นอัศจรรย์มากครับภาษาจีนใช้คาว่าความรู้นั้น เสียเว้นเสียเว้นนั่นก็คือตัวอักษรสองคำมันรวมกันครับคำแรกแปลเป็นคำว่าเรียนเสียเว้นแปลว่าถามครับรวมกันเป็นความรู้คําว่าเรียนกับคําว่าถามรวมกันเป็นความรู้ความรู้มาจากคําว่าเรียนและคําว่าถามครับพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าอิสยาบทที่50เราเห็นถึงความอัศจรรย์ของพระวจนะของพระอง โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอิสยาบทที่50ข้อที่4พระเจ้าได้ประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอนเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ที่จะค้ำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคําทุกๆเช้าพระองค์ทรงปลุกทรงปลุกหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังอย่างที่พระองค์ทรงสอนพี่น้องครับขอโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพระวจนะพระเจ้า อิสยาบทที่50ข้อที่สีพระเจ้าได้ประทานให้ข้าพเจ้ามีริ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอนเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ที่จะคำชูผู้ที่เหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคำทุกๆเช้าพระองค์ทรงปลุกทรงปลุกหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังอย่างที่พระองค์ทรงสอนเราเห็นนะครับว่าอิสยานั้นเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้สั่งสอนคนอื่นครับ แต่ท่านไม่ได้กล่าวว่าท่านเป็นลิ้นที่สอนคนอื่นแต่ท่านกล่าวว่าเป็นลิ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอนแสดงว่ามีหลายลิ้นนะครับลิ้นตัวนี้เป็นลิ้นของบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงสอนท่านเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เผยเพระชนะในขณะเดียวกันครับท่านก็เป็นลิ้นที่สอนคนอื่นนั่นหมายความว่าอิสยาห์นั้นยอมรับว่า ท่านนั้นได้ถูกสอนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและท่านได้เอาสิ่งที่ท่านได้รับการสอนนั้นมาสอนคนอื่นครับพี่น้องครับนั่นคือหลักการของการสร้างสาวกการรับการสอนการรับคำการเป็นผู้นำการสร้างให้เป็นผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตและในขณะเดียวกันครับเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นได้เรื่อยตลอดมาครับและจะเกิดขึ้นในอนาคต การรับการสอนนั้นคือการที่พระเจ้าปลุกเขาทุกเช้าทุกเชา้าเพลงพีบอกว่าทุกๆุกเช้าพระองค์ทรงปลุกทรงปลุกหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังอย่างที่พระองค์ทรงสอนพระเจ้านั้นได้ทรงปลุกหูได้เปิดหูของเราเพื่อที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเพื่อให้ฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนั่นคือท่าทีในใจของอิสยาครับ เป็นผู้รับการสอนตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและท่านปรารถนาที่จะรับการสอนจากพระเจ้าในอนาคตครับนั่นคือตัวอย่างที่ดีมากตัวอย่างหนึ่งครับไม่มีใครแก่เกินเรียนรู้ไม่มีใครแก่เกินที่จะรับคาสอนไม่มีใครที่แก่เกินที่จะเป็นผู้นําครับพี่น้องครับแต่ผู้นานั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็ครับก็คือต้องถ่อมใจแม้ว่าท่าน จะอายุมากแล้วหรื อ, อยังน้อยอยู่ก็ตามพี่น้องครับทุกคนต้องถ่อมใจลงต่อเบื้องวัพักของพระเจ้ารับการสอนจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากเพียงใดไม่ว่าดีดของท่านนั้นจะประเสริฐเลิศเท่าไหร่ก็ตามเราต้องถ่อมใจลงครับรับการสอนอาจจะมีคนเข้าใจผิดครับว่า คนที่เป็นนักเทศหรือผู้รับใช้พระเจ้าไม่ต้องรับการสอนแล้วอิสยานั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นครับหลายคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในอดีตนะครับเคยรับพระวจะนะของพระเจ้าแต่ตอนนี้หยุดรับแล้วครับขุนไม่ขึ้นครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากคนที่เข้าใจว่าตัวเองได้รับความสาเร็จแล้วไม่ต้องเรียนแล้วไม่ต้องสอนแล้วควรรักษาจิตใจของตนให้มีนานท่าทีครับ ให้รู้หน้าที่ว่าเราต้องเป็นนักเรียนตลอดชีวิตภาษาจีนนะครับแต่จิ๋วนั้นมีคําคำหนึ่งที่น่าสนใจมากคนจีนแต่จิ๋วพูดคํานี้ครับว่าเจี่ยเกาเหลาเอ่อเ้าเหล า, า, ห, ลาหมายความว่ากินจนแก่เรียนจนแก่ท่าทีของการเป็นนักศึกษาของผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเป็นท่าทีที่สมควรอย่างยิ่ง ที่จะถมใจเพราะชีวิตของเขานั้นจะกลายเป็นแบบอย่างให้กับเด็กหนุ่มเด็กสาวชนรุ่นหลังต่อไปได้นี่แหละครับความเป็นครูเกิดขึ้นที่นี่ครับพลังความรู้จะเกิดขึ้นไม่มีใครแก่เกินเรียนคนที่ขยันอ่านหนังสือมากๆนั้นอาจจะไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาแต่เป็นผู้สอนแต่สาเหตุที่เขาต้องตอบคําถามนักศึกษามากมาย การที่เขาต้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะตอบคําถามนั่นแหละครับคือหน้าที่รับผิดชอบนักศึกษาที่ดีเขาอ่านหนังสือมาก่อนแล้ววันลุ่งขึ้นก็มาถามอาจารย์ว่าอาจารย์หนังสือเล่มนี้ที่ออกใหม่ท่านมีความเห็นอย่างไรถ้าอาจารย์ตอบว่าขอโทษนะยังไม่ได้อ่านความเป็นอาจารย์นั้นก็สูญเสียและก็เสื่อมลงไปใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับพี่น้องใครที่เป็นครูที่สอนนั้นจะต้องอ่านมากกว่า จะต้องเรียนรู้มากกว่าพี่น้องครับเพื่อที่เราจะผลิตคลื่นลูกใหม่ที่จะเป็นผู้นำผู้สอนท่านศาสนาจันทร์ด็อกเตอร์ฟิลิปเทงนั้นท่านเขียนนะครับว่ามีคนถามว่าความรู้ของคนที่เป็นด็อกเตอร์จะยืนนานแค่ไหนคำตอบคือ3ปีหมายความว่าเมื่อท่านได้ด็อกเตอร์ถ้าไม่ทำวิจัยและไม่สแสวงหาความรู้ต่อไป ความรู้ที่ท่านมีอยู่นั้น3ปีผ่านไปก็ลาสมัยเสียแล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้นำที่เราจะรับการสอนและสอนคนอื่นเป็นผู้นำที่รับการสร้างและเราจะสร้างคนอื่นเป็นผู้นำที่เรารับการนำจากพระคิดพระผู้เป็นเจ้าเราจึงสามารถนำคนอื่นได้อารมน